วันนี้เป็นวันพุทธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนสวันฟังธรรมวันบูชาพระรัตนตรัยบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ตัดไว้ชอบแล้วตรงกับหลักความเป็นจริงทุกประการ บูชาพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง<ม>บูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกาเลมุตตมมัง การบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นบูชเป็นการบูชาในพระพุทธศาสนาซึ่งในพระพุทธศาสนานี้จะมีการบูชาอยู่สองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะวัตถุข้าวของต่างๆ 2. ปฏิบัติบูบบชา บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคธรรมตามหลักคำธรรมตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการนี่คือวิธีการบูชาของชาวพุทธเราเพื่อแสดงความเคารพแสดงความศรัทธาเรื่อมใส สแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระคุณอันเลิศอันประเสริฐแก่สัตว์โลกการบูชานี้เบื้องต้นก็บูชาด้วยอามิสบูชาคือบูชาด้วยข้าวของต่างๆเช่นเครื่องสักการะ ดอกไม้ทูปเทียนต่างๆแล้วก็บูชาด้วยการถวายจตุปัจจัยททยทานให้แก่พระภิกษุพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุาสงงาส ม, มเณรที่มาบวชในพระพุทธศาสนาถวายอาหารบิณฑบาตถวายจีวรเครื่องนุ่งหม่ม ถวายกุติที่อยู่อาศัยถวายยารักษาโรคเพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของพระภิกษุสา ม, มเณรนะบุคคลที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดเพื่อสืบทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้อยู่ไปในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานบูชาด้วยถาวรและวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีสาลาแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่มีการสร้างวัดขึ้นมาบูชาด้วยการสร้างวัด เพื่อที่จะได้มีที่ศึกษาและปฏิบัติ ธ, ธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำมาสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ตั้งอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนถาวรไปนานๆจำเป็นจะต้องมีถาวรวละาวรวัตถุต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบภารกิจของทางศาสนาได้แก่การศึกษาปฏิบัติและบรรลุธทรขั้นต่างๆถาวรวัตถุเหล่านี้จะช่วยเอื้อ ในการศึกษาในการปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างสะดวกสบายนี่คือเรื่องแรกวิธีการบูชาแบบแรกลักษณะแรกที่เหล่าชาวพุทธมักจะทำกันเป็นประจำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดี คือวันพระชาวพุทธเราจะถือวันพระเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่จะได้มาทำการบูชาคือการบูชาคือคืออามิสบูชาบูชาด้วยเท้าของเงินทองต่างๆเพื่อจะได้ สนับสนุนผู้ที่มาบวชมาปฏิบัติมาศึกษาให้ได้อยู่อย่างสุขสบายให้ได้บําเพ็ญได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นได้หลุดพ้นอย่างสะดวกสบายอา น, นิสงที่จะได้จากการกระทาอามิสสบูชา ก็จะได้ความสุขใจคือบุญกุศลบุญที่เกิดจากการทำบุญทาทาน mm hmm. บุญที่เกิดจากการรักษาศีลห mm ้า hmm. ผู้บูชาจำเป็นจะต้องมีการรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อย mm hmm. เพราะผู้ที่มีความศรัทธ า, ม, า, ม, ามีความเขารพมีความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ที่ไม่ไม่เบียดเบียนผู้จะเป็นผู้ที่สนับสนุนความเมตตากรุณาคือการให้ความสุขและการบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของผู้ก็ g <musique S 2> จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ทำบาปเป็นอย่างน้อย ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิตประเพณีไม่ประพฤติผิดในการและไม่พูดปดโอหกหลอกลวงและไม่เสพอบายมุขเช่นสุรายาเมาเป็นต้นแล้วก็ทำบุญทำทานด้วยการบริจาคทรัพย์สินเงินทองต่างๆเพื่อมาซื้อ สิ่งจำเป็นต่างๆมาทำนุปบำรุงพระพุทธศาสนาซื้ออาหารใส่บาตรซื้อผ้าจีวรให้พระทิกสุและสามเณรได้สวมใส่ช่วยกันเบิจากทรัพย์สร้างกุฏิที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคหรือส่ง าพาภิกษุที่ป่วยไข้ไปโรงพยาบาลสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆเป็นต้นนี่เป็นการทำบุญทำทานถ้าได้ทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอและได้รักษาศีลอย่างสม่าเสมอใจก็จะมีบุญมีกุศลมากกว่าบาปจะทาให้ใจ เวลาอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะบุญกุศลนี้จะสร้างความสุขให้กับใจและการรักษาศีลห้าจะระงับความทุกข์ของใจไม่ให้เกิดขึ้นจากการกระทําบาปต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความอยู่ยังมีความนุ่มเย็นเป็นสุขแล้วเวลาที่ร่างกายตายไป ใจที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณก็จะมีบุญมีกุศลสนับสนุนให้ไปอยู่ในสุกติ<ม>ให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ<ม>ไม่ต้องไปอยู่ในอบายเพราะมมมไม่ได้ทำบาปหรือถ้าทำบาปก็บาปนี้น้อยกว่าบุญที่ได้ทำเอาไว้บาปจึงยังไม่สามารถสง่งผล ให้แก่ดวงวิญญาณไปรับผลที่ในอบายได้คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสูลกายและเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์จากความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นที่เรียกว่านรก ถ้าผู้มีทําการบูชาอมิสบูชาจะได้เวียนว่ายตายเกิดในสุขคติอย่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขคติหลังจากที่บุญที่ได้ส่งไปอยู่ในสวรรค์ได้หมดลงดวงวิญญาณก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่งและจะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีสนับสนุน คือมาเกิดมีฐานะมั่งคัง่งร่ำรวยรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่บุญกุศลที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติทำบุญมากเสียสละแบ่งปันมากกลับมาเกิดก็จะร่ำรวยมากแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสามสิบสองมีอายุยั่งยืนยาวนานนี่เป็นอ น, นิสงส์ที่จะได้รับจากการทำการอามิสบูชาถ้าต้องการที่จะได้อา น, นิสงส์ผลบุญที่สูงกว่านี้ที่มากกว่านี้ที่ดีกว่านี้ ก็ต้องมีการกระทำบูชาชนิดที่สองที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชาการปฏบิบัติบูชานี้จะยกระดับความสุขให้มากขึ้นให้สูงขึ้นความสุขความเจริญของจิตใจหรือดวงวิญญาณให้มากขึ้นให้สูงขึ้นจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปอยู่ในสวนนรรค์ชั้นต่างๆชั้น สวุวรรษชั้นเทพจะขึ้นไปอยู่สวรรค์ที่สูงกว่าที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหมและสวรร์ชั้นพระอริยะบุคคลจนถึงขั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ของพระนิพพานเป็นความเป็นความเป็นสวรรค์ที่มีความสุขแบบยั่งยืนแบบถาวรแบบที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด คือสวรรค์ชั้นพนิพานนอกนั้นสวรรค์ชั้นต่างๆก็ยังจะต้องเสื่อมลงหมดลงได้สวรรค์ชั้นเทพก็หมดลงพอหมดลงก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทําบุญทําทานมารักษาศีลใหม่สวรรค์ชั้นพรหมก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นพรหมก็ได้จากการฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้ฌานขั้นต่างๆ ใ้ขั้นรูปประชานและขั้นอรูปประชานถ้าได้รูปประชานก็จะไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นรูปประพรมถ้าได้อรูปประชานก็จะไปได้สวรรค์ชั้นอรูปประพรมแต่ทั้งสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ก็เสื่อมได้เพราะฌานนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงฌานก็มีวันหมดได้เหมือนบุญ ที่ส่งไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพฌานที่ส่งไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมก็เสื่อมได้หมดได้พอเสื่มก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเข้าฌานใหม่มานั่งสมาธิเข้าฌานใหม่แล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมพอลงจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นนักบวชใหม่ มารักษาศีลมาปฏิบัติสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในในสุขติในระดับสูงแต่ก็ยังเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่พอ ท, ทุกครั้งที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้ร่างกายที่ไม่เที่ยวร่างกายที่จะต้องมี ความเสื่อมเป็นธรรมดาจเจริญเต็มที่แล้วก็จะเสื่อมอจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยจากคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะกลายเป็นคนตายไปตายไปดวงวิญญาณก็กลับไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆต่อไป จนกว่าจะสามารถปฏิบัติทำขั้นที่สูงกว่านี้ได้คือขั้นปัญญาขั้นวิปัสนาถ้าปฏิบัติวิปัสนาปฏิบัติปัญญาได้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังในพบทั้งสามได้เห็นว่าพการ ม, มาพบก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตารูปรพบก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา อารมณ์ประพบก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตัดเหตุที่พาให้ไปเกิดในพบเหล่านั้นได้เหตุที่พาให้ไปเกิดการมปรพบก็คือกามาตัญหาความอยากที่จะเสกกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพัสชนิด ต, าตา่างๆเช่นการดูหนังฟังเพลงการกินการดื่มเครื่องดื่มอาหารที่โปรดปราน การได้เที่ยวได้เล่นได้ทำอะไรตามความอยากเหล่านี้จะพาให้มาเกิดในกามะพุทธสำหรับผู้ที่ชอบเข้าสมาธิในระดับรูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปภพผู้ที่เข้าสมาธิได้ในในระดับอรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพถ้าเห็นว่าการเสดกามก็ดีเสดรูปฌปานก็ดี เศษอรรลุ ป, ปชาญาก็ดีจะนำมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเสพกรรมก็ต้องมาเกิดในกรรมมาพบพบของมนุษย์ของเทวดาของสัตว์เดราชาญเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ยังเสพกรรมกันอยู่<ม>ก็จะต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับอาลูปะภพอาลูปะภพก็เหมือนกันเมื่อฌานเสื่อมลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่มมา ต, ม ต, มตมามตามตามฌานใหม่ก็ต้องมีร่างกายก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยก็ตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจ ตัดความอยากจะเสพกามตัดความอยากจะเสพรูปประชานตัดความอยากจะเสพอารูปประชานไปพ อ, อตัดความอยากเหล่านี้ได้หมดก็จะไปอยู่ในนิพพานต่อไปนิพพานก็คือที่อยู่นอกระบบของตายพบนอกระบบของการเวียนว่ายตายเกิด อย่าไม่ต้องไปเกิดในกามะพบเพราะไม่มีกามตัญหาไม่ไมีความอยากจะเสกกามอย่าไม่ต้องไปอยู่ในรูปะพบเพราะไม่มีความอยากที่จะเสกรูปฌานไม่มีไม่ต้องไปเกิดในอรูปะพบเพราะไม่มีความอยากที่จะเสกอรูปฌานเมื่อไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วใจก็อยู่นิ่งสงบไม่มีการเคลื่อนไหวต่อไป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 ก็จะต้องมีการเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายอยู่เรื่อยๆฉะนถ้าไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์จําเป็นที่จะต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ให้หมดไปจากใจให้ได้ความอยากจะเสพการก็ดีความอยากจะเสพรูปฌานก็ดีความอยากจะเสพอารมณ์ฌปปานก็ดี ก็ต้องไม่แสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ไม่แสวงหาไม่มีความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาหามันอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นการบูชาที่สูงสุดเป็นบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็งเป็นการบูชาอันเลิศอันประเสริฐ เพราะได้อนิสงส์ได้ประโยชน์ที่สูงสุดคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่มีวิธีใดที่จะสามารถที่จะทำให้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หมดทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นอกจากวิธีแห่งการปฏิบัติบูบชานี่เอง อาตชาสิ่งส่งยกย่องว่าระหว่างการบูชาสองรูปแบบนี้อมิสบูชากับปฏิบัติบูชานี้การบูชาด้วยปฏิบัติบูชานี้เป็นสุดยอดของการบูชาถ้าอยากที่จะได้ความสุขได้ประโยชน์อันสูงสุดก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติบูชา แต่ก่อนที่จะไปสู่การปฏิบัติบูบชาได้ก็ต้องทำอามิสบูชาให้ได้ก่อนต้องทำการบูชาแบบที่ง่ายให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปสู่การบูชาที่ยากขึ้นต่อไปก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือการที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ก็ต้องเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาก่อน เราจึงต้องการเราจึงต้องมีชั้นต่า ง, างๆให้เราเข้าเรียนเพราะชั้นต่ํานี้จะจะเรียนง่ายผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ๆก็ไม่มีศักยานุภาพศักรยภาพที่จะเรียนของยากๆได้ก็ต้องเรียนของง่ายๆไปก่อนสมัยนี้นอกจากชั้นปฐมแล้วยังมีชั้นอนุบาลด้วยให้เป็นเรียนของง่ายๆก่อนให้ไปท่องกรไกรข้อไข่ก่อนให้ไปนับหนึ่งสองสามก่อน เราค่อยไปเรียนอย่างอื่นต่อไปจากอกนุบาลก็ไปสู่ปถมจากปถมก็ไปสู่มัธยมจากมัธยมก็ไปสู่อุดมศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรีโทเอกตามลาดับต่อไปการบูชาในพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกา ร, การเข้าโรงเรียนเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความรู้ความฉลาดมากขึ้น ไปตามลำดับเพื่อที่จะได้ความรู้ความฉลาดนี้มาตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกเบื้องต้นถ้ายังไม่เคยทำมิสบูชาอย่างสม่ำเสมออย่างเป็นกิจจาลักษณะก็ควรจะเริ่มต้นที่ในวันพระนี้เอง เอาไปนี้ถ้าเราอยากจะทำอามิสบูช า, อ ย, าอย่างจริงจังเราก็ต้องทำบูชาในวันพระกันทุกวันพระไม่ใช่บูชากันเฉพาะวันสำคัญเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญทางศาสนาถ้าบูชาแบบนี้ยังไม่เป็นกิจจลักษณะยังไม่พอเพียงยังไม่สมบูรณ์ถ้าสอบก็ยังสอบไม่ผ่าน ต้องเีต้องทำอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในทุกวันพระซึ่งวันพระในสมัยนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะว่ามันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานก็สามารถเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดทำงานได้เช่นวันไหนที่เราไม่ได้ทำงานเราก็จะได้มีเวลามาทำบุญกันได้ทำบุญรักษาศีลห้าใสาบาตร ฟังเทศฟังธรรมเบื้องต้นก็ศึกษาก่อนศึกษาวิธีต่างๆของการปฏิบัติของการบูชาให้บูชากัอนอย่างไรเบื้องต้น ก, ก็ทำอามิสสะบูชาด้วยการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินข้าวของเงินทองเพื่อทานุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ไหนขาดแคนวัดไหนขาดแคนอะไรก็ไปทานุบำรุงวัดนั้นได้ แต่ก็ต้องเป็นวัดที่มีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีความด่างพร้อยถ้าวัดไหนมีพระภิกษุที่ปฏิบัติมีความด่างพร้อยก็ไม่สมควรที่จะไปรับไม่สมควรที่จะรับประโยชน์สุขไม่รับทานของผู้ที่ทําบุญทําทานผู้ที่จะรับการทําบุญทําทานของผู้ที่เสียสละแบ่งปันได้นั้น จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยไม่ใช่มาบวชแล้วก็มาทำตัวเองให้เสื่อมเสียถ้าทำตัวเองให้เสื่อมเสียศรัทธาของผู้ให้ก็จะก็จะหายไปเวลาจะทำนุบารุงพระพุทธศาสนาก็ต้องดูวัดด้วยดูพระด้วยว่าเป็นพระแบบไหนวัดแบบไหน เป็นวัดพระเป็นวัดที่สุปฏิปันโนหรือไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เ mm hmm. ข่งคัดในพระธรรมวิหนัยหรือไม่ไม่ใช่วัดไหนก็ทำได้เหมือนกันหมดมันไม่เหมือนกันเหมือนกับร้านอาหารร้านอาหารก็มีร้านอาหารหลายหลายดาวบางร้านก็มีหนึ่งดาวบางร้านก็มีห้าดาวบางร้านก็ไม่มีดาวเลย เราก็ต้องเลือกทําร้านที่มีดาวเพราะได้การรับรองจากผู้ไปไปชิมไปรับประทานว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขก็สุ ล, ลักษณะมีรสชาติที่น่ารับประทานวัดก็เหมือนกันเสียดายว่าไม่มีใครมาให้ดาววัดต่างๆกันหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีใครมาทํางานนี้ก็ได้ในสํารวจในแต่ละวัดว่า ตอนนี้คนจะได้กี่ดาวเพื่อที่ผู้ที่อยากจะเข้าวัดจะได้เลือกวัดที่ที่ดีที่จะได้ทําให้เกิดอ น, นิสงค์บุญอันยิ่งใหญ่ตามมามมถ้าอยากจะทํำอมิษบูชาแบบเป็นกิจจลักษณะควรจะทําให้เป็นนิสัยอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งทําบุญใส่บาตร แล้วก็ถวายของจำเป็นไม่จาเป็นจะต้องถวายทั้งสี่อย่างให้ครบทุกครั้งไปกุฏิถ้าวัดมีพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องถวายจีวรที่มีเยอะแยะเต็มวัดไปหมดก็ไม่ต้องถวายจีวรดูสิ่งที่ขาดแคลนสมัยนี้มักจะขาดแคลนเรื่องชำเนื้อช้ำระหนี้สงคือสงมีหนี้เพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่มีใช้ใช้สิ่งต่างๆที่จะต้องมีค่าใช้จ่าย เช่นมีหนี้ค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นหรือมีหนี่ในการทําดูแลความสะอาดมีหนี่ในการซ่อมแซมความชำรุดสุดโทรมของถาวราวัตถุต่างๆก็ต้องสังเกตดูเวลาเราไปวัดว่าเราควรจะทำบุญแบบไหนไม่ใช่มาที่ไรก็ถือห่อลังกระทานมาทุกครั้งไปมีอย่างนิดอย่างหน่อยมีข้าวสาร ถงเล็ก ๆ, ๆมีกระป๋องไม้กระป๋องหนึ่งมีทูบเทียนสามดอกเรามีผ้าผืนเล็กๆไว้ผืนหนึ่งซึ่งมันเจะไปทําอะไรคนที่จะทำบุญก็ต้องฉลาดบ้างถึงจะได้บุญได้กุศลอย่างแท้จริงอ น, น, นี่ก็คือเริ่มต้นด้วยอามิสบูชาแล้วเมื่อได้ทําอามิสบูชาเราจะได้ความสุขก็จะเกิดความ กินดีอยากจะทดลองทำปฏิบัติบูบชาก็เพิ่มการบูชาด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไปในวันพระแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจหลักธรมรมคำสอนที่เกี่ยวกับตายรัก อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมาเพื่อที่จะได้นาเอามาใช้ ในการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการลดด้วยการละความอยากต่างๆที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป น, นี่คือวิธีการบูชาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเราบูชาด้วยหนึ่งอาบิสบูชาด้วยข้าวของเงินทองเครื่องสักการะต่างๆสองบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชา ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวากขาตัพวพระกัตตาธรรมูทำที่ตัดไว้ชอบแล้วเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่ก็คือเรื่องของการบูชาในวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเพราะ อย่างนี้ได้กําหนดเวลาแสดงธรรมไว้30สนาทีด้วยกันและอีกสาสนาทีต่อไปนี <mar ue failed. S 2> ้ก็จะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความนิ่งสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องมีสติ คือการละเลิกรู้ให้มีสติละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมให้ใจนิ่งทําให้ใจสงบอารมณ์ที่จะกล่อมให้ใจนิ่งให้สงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีหลากหลายชนิดด้วยกันเป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆสามารถกินอาหารชนิดไหนก็ได้ที่จะกินแล้วจะทำถ้ากินเข้าไปแล้วร่างกายก็จะอิ่มอารมณ์กรรมฐานชนิดต่างๆก็เช่นเดียวกัน ใช้กรรมฐานชนิดไหนก็ได้ที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือก mm hmm. ชื่นชมยินดีกับอารมณ์ mm hmm. กับกรรมฐานชนิดไหนก็สามารถใช้กรรมฐานชนิดนั้นได้สามารถเลือกได้โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจไปเรื่อย ถ้ามีการบริการพุโทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อทาให้หยุดความคิดนี่องความคิดจะไม่หยุดด้วยตัวมันเองมือนรถยนต์ที่ไหลลงจากเขานี่มันจะไม่หยุดของมันเองมันจะต้องมีเบรกคอยคอยเหยียบคอย break, คอยหยุดมันถ้าไม่มีเบรกมันก็จะไหลไปวิ่งไหลลงบ่ายเรื่อยๆ และอาจจะถึงกับตกเหวตกตกหน้าผาไปก็ได้ดงนั้นใจก็เหมือนกันใจนี่มันจะคิดอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะให้มันเงี้งให้มันสงบให้เป็นสมาธิต้องมีสติผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทโธพุทโธถ้าชอบพุทโธก็ใช้พุทโธบางท่านชอบดูลมก็ใช้การดูลมแทนก็ได้ ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวหรือหายใจสั้นปล่อยให้ลมหายใจไปตามธรรมชาติของเขาเรามีหน้าที่คือมีสติให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นเองให้รู้เฉยๆรู้ว่าเข้าหรือรู้ว่าออกรู้ว่าสั้นหรือรู้ว่ายาวรู้ว่าหยาบหรือรู้ว่าละเอียด รู้ว่ามันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปแต่ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆรู้อยู่ที่เดียวที่ปลายจมูกถ้ารู้อย่างเดียว<ม>เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆถ้าใจยังคิดมากอยู่ให้อยู่กับพุทเธก็อยู่ไม่ได้ให้ดูลมก็ดูไม่ได้เพราะมัวไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบนไหนที่เราจาได้ สั้นๆก็ได้ยาวๆก็ได้แต่ต้องสวดแบบมีสติคือให้รู้อยู่ทุกบทคําสวดเช่นสวดพุทธทางสะระนังกัจฉามิทำมังสระนังกัจฉามิาถ้ามันสวดเร็วแล้วมันมันมันไปคิดเรื่องอื่นก็สวดให้ช้าลงก็ได้เป็นพุทธทางสาระนังกัจฉามิเริ่มต้นอย่างนี้ไปก่อนบังคับให้ ใจอยู่กับการสวดแล้วมันจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าสวดแล้วรู้สึกใจเริ่มสงบเริ่มเบาไม่คิดมากแล้วก็เปลี่ยนมาพุทโธต่อก็ได้หรือเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อก็ได้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาที่นั่งถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมา มีเสียงมีสีมีรูปร่างต่างๆทั้งที่น่าดูหน้าชมหรือน่าเกลียดหน้ากลัวก็อย่าไปสนใจมันเป็นภาพหลอกเราเป็นภาพหลอนเป็นมายาไม่ใช่ไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปหรืออยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่ไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปทำอะไรอย่าไปสนใจอย่าทิ้งกรรมฐานอย่าทิ้งพุทธโธถ้าใช้พุทธโธ อย่าทิ้งนมถ้าใช้นมเป็นเครื่องผูกใจถ้าทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วก็สบายใจนิ่งใจนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคอยใช้สติคอยควบคุมอีกแล้วเพราะมันไม่ไปไหนแล้วมันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆผลิตความสุขให้กับเราได้สัมผัสไปเรื่อยๆจนกว่ากําลังของสติอ่อนลงเมื่อเริมมีการเคลื่อนไหว ถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งต่อเราก็ต้องกลับมาทำใหม่ต้องใช้พุโทโธใหม่ใช้ดูรมใหม่หรือว่าถ้าเรามีภารกิจหรือมีความจำเป็นที่ต้องเลิกเราก็หยุดการนั่งสมาธิไว้ชั่วคราวก่อนจะเลิกก็สังเกตดูว่าวิธีที่ทำให้ใจนิ่งสงบนี้เป็นอย่างไรแล้วจดจำวิธีนี้ไว้เวลาออกจากสมาเวลาจะนั่งสมาธิต่อไปก็จะได้ใช้วิธีนี้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 ให้สังเกตหรือว่านั่งแล้ววันนี้สงบดีไหมถ้าสงบดีก็สังเกตจดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยจิตก็จะสงบได้เหมือนกับวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากนี้จะไม่ทำให้มันสงบถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็ให้เจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวัน จะเรื่สติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนดับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆในใจไม่ว่าจะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิใจก็จะเน่งใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปูราปะริปุเรนติสากหลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปฏิอิทิตังปทิตังตุมหังคิะเมวาสมิจฉโตสัพเพปเรนโตสังขปาจันโทปนาราโสยธาเมณิโชติราโสยธาสพีติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสตุ มาเตปวัตว ha, <Sa> ันตราโยสุข <Sa> ีท <Sa> ีขาโยโกภวะอภิวาธนศีล <Sa> ิสะนิจจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังพาลัง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 กราบเรียนครับผูาจารวันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ o กผูาจารย์สุชาติ234ท่านทาง y u ูทูบผอาจารย์สุชาติ266ท่านทาง YouTube ดรวี52ท่านทางวิทยุออนไลน์7ท่านทาง c l u b บเฮ s e ์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ104ท่านรวมทั้งหมด669ท่านครับ Do you have any question? Do you have any question? Hello, p o y Um, I guess my big question is that I've been in Thailand now for a few weeks, and uh, I've learned so much just in those few weeks. Even though I've been practicing d h a m m a in America for uh, like three or four years now, um, I feel like we've only really We've missed out on on some stuff. That's kind of how I feel. Mm -hmm. um, and I was just curious uh, if you have any sense of sort of um, what American or, or Western Buddhism has left behind. Maybe some things that we should uh, be more careful to to preserve as we transition Buddhism into a new culture. Well, it's like uh, things like this takes time to develop. Yeah. So just. Just follow whatever that you have learned and try to transplant it back to the state. You know, the, there are so many facets of Buddhism, and I think the West is only interested in the meditation p a t h and not about the rituals and about the charity and things like that. So it takes time to slowly grow. You know. So don't worry about it. Just meditation is the the the best part of Buddhism, but it's the hardest part, a l so. For lots of people, they might not be able to meditate yet, so they rely on the practice of charity and keeping the precepts and listening to dharma talks first before they can move up to. Keeping the eight precepts or more, and do the meditation practices. So you just, just make it natural. Whatever you, you think is good for you, you you, you do that first. There's no fixed formula. Okay. a t a l l k y o t a y o a y o k a Okay. Okay. Okay. o o a y Uh, so I wanted to ask two questions. Uh, my first question is, how does a nirvana or nipan feels like? And my second question is, um, if you was to like have many talking stages, like you talk to many girls, uh, is it, but like they're not your girlfriend, it, is it considered like pit sin sam? Yes. Not yet. You have to have sexual intercourse with before you can break the the preset. But to prevent that to happen, try not to be engaging with any woman outside of the your cup, your your partner only. Because even though when you start, you don't have sexual intercourse, but eventually, you know you can gradually develop into that. So it's best. To try to avoid uh, having any close relationship with other woman, you can have casual, you know, relationship, but not intimate relationship with other woman, except your partner. Okay. As far as Buddhism is concerned, it's a combination of all types of of all the happiness, all put in one place, and it's. And it's also content, contentment. Once you have this type of happiness, you don't want to have anything else. You have to experience this. This is something that cannot be told in words. You know. But it's the best, best, form of happiness. The Buddha s a y nibbana, palamang s u k h a n Nibbana is the supreme happiness. You just have to meditate and get rid of all your defilements. Then you will come to experience this type of happiness. Okay. Anything else? Yeah, that's it. Thank you. Right. Okay. We have another gentleman. Okay. Um, my question is, I've been meditating for about two years now, and I've gone through bouts of. It makes me free in my mind. It, it, it really frees it, but at the same time, I feel so free that I can still go out and do things to hurt myself. Like for example, I feel so good and free after meditation. If I have high blood pressure, I'll go out to a all-you-can-eat oh, and eat all these bad foods, all because my mind is free, but it's still bad for my body. So having experienced this type of mental freedom, sometimes I'm afraid to meditate because I know it's going to make me free, and I might go out and do something that's still to harm myself. So what you need to do once you have achieved good meditation result, you have to use wisdom to teach you what is good or what is bad for you. Also, you should not do according to your Your will, your desire, because what you do with your your cravings can hurt your body and also can hurt your mind later on, because you l l find it hard to come back to meditation. Also, awesome. so you need to have wisdom to to to maintain or to protect your your your mind from from doing things that is not proper or good for you for the mind itself and for the body. About the Buddha said that meditator should should eat just enough, just moderate, have moderation in eating. Eat to live, not not live to eat. Yeah. Okay. Uh, also, one second, second question: What is the first thing I should do after meditation? Well, mindfulness is is always the thing that you have to do all the time before, during, and after meditation. To maintain your mind to be calm and peaceful, you have to need you need to continue with, with your meditation, with your mindfulness practice. Like if you you have to be constantly mindful of what you do with your body, watch your body. We call mindfulness of body. So that to prevent your mind from go thinking about eating or having some other pleasures. So you want to maintain. Mindfulness to prevent your mind from thinking, to to prevent it from thinking about having having things that can be harmful to you. So that when you meditate the next round, you can then become peaceful and calm easily. Okay. So try to maintain constant mindfulness all the time. มีคาถามจากผู้รับฟังธรรมะนากุติฝักมาถามาโยมีพี่สาวที่คอยเขาจะพูดไม่ใช่ไหมะเขาจะพูดไม่ใช่เออ สังขารในความคิดมันเกิดจากอะไรคะมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันคิดไปเรื่อยๆของมันแล้วการเจริญสติเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าคําว่าพุโทโธอย่างเงี้ยมันคือตัวดึงสติให้ให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งหรือเปล่าคะใช่พุโทโธเป็นการบังคับให้ใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดีย ว, วถ้ามันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดได้ ค่ะแล้วการที่คิดกับการที่ไม่คิด อ, อย่างเช่นการที่เราภาวนาให้เราไม่คิดอย่างนี้มันจะช่วยอะไรเราได้ค่ะให้เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาจากการการหยุดคิดค่ะเพราะว่าบางทีความคิดของเราจะฟุ้งซ่านใช่ไหมคะใช่ความฟุ้งซ่านนี้มันนาไปสู่การกระทำเกิดขึ้นให้กลายเป็นกรรมไหมคะเป็นความอยากขึ้นมาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่ม อ๋อค่ะแล้วผู้ที่มเีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีสติสืบเนื่องหรือว่าเรียกว่ามหาสติอันนี้คือมีสติอยู่ตลอดเวลาไหมคะถูกต้องตั้งแต่ตื่นจนหลับยกยกเว้นเวลาฝันเรอคะพระอาจารย์ใน เ, เวลาหลับไม่มีสติทุกคนอ๋อค่ะคราบขอบพวกคุณค่ะ คำถามจากผู้รับฟังธรรมา น, นากุฏิเจ้าค่ะโยมมีพี่สาวที่คอยกลั่นแกล้งชิงดีชิงเด่นโยมอยู่ตลอดเวลาเห็นแก่ตัวเองเอาปเปรียบพยายามจะกดขี่เราไม่ให้มีตัวตนวางใจอยู่ด้วยอย่างไรดีเจ้าค่ะด้ยวยความเมตตากรุณาสงสารเขาเขายังไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเขาคือใครคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเขาก็คือกิเลส ข, ของเขาเอง เขาสู้ก็คนอื่นผู้เจ้าบอกว่าต่อให้ชนะหมื่น mm hmm. หมื่นครั้งแสนครั้งกส็สู้ชนะกิเลส ข, ของตนไม่ได้ mm hmm. เพราะการชนะกิเลส ข, ของตนจะทําให้ใจสงบมีความสุขการชนะคนอื่นก็จะไปสร้างศัตรูให้กับผู้อื่นถ้าเราไปชนะเขา mm hmm. เขาก็จะโกรธเราเกลียดเราถ้าเราแพ้เขาเราก็จะไปโกรธเขาเกลียดเขาดัง mm hmm. นั้นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงที่นําความสุข mm hmm. ความสงบมาให้กับใ จ, ใจิตใจก็คือกิเลส ข, ของเรา mm hmm. เราต้องเอาชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงให้ได้แล้วถ้าเราชนะได้ความโลภความโกรธความหลงจะไม่สามารถมาดึงให้เราไปสร้างปัญหาต่างๆสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราได้ใจเราก็จะอยู่อย่างสงบอย่างมีความสุขคำถามจากผู้รับฟังธรรมานุกูลิติค่ะกลับด้านมาสารสรพราชยา์มีคาถามสอบถามว่าข้อที่หนึ่ง พ่อแม่ผุ้ยตา ย, ายหรือคนร่ำรวยมากๆที่ทำพินัยกรรมทิ้งไว้ไม่ได้บอกยกให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องรอตายจึงจะเปิดพินัยกรรมว่ายกอะไรให้ใครบ้างแบบนี้ถ้าเหล่านั้นจะได้บุญไหมคะไม่ได้บุญหรอกเพราะว่าท่านยังไม่ได้ให้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่มีชีวิตอยู่ มืนใส่บาตรเนี่ยถ้าเพียงแต่เขียนพิธนายกรรมไว้ก็จะใส่บาตรให้ผ้ารูปนั้นรูปนี้แต่ไม่ใส่สักทีรอให้ตายก่อนแล้วค่อยใส่เวลาตายคนคนที่สั่งก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาอ่านพิธนายกรรมจะไปทําตามให้หรือไม่ดังนั้นก็จะไม่รู้ไม่ไม่มีความรู้สึกสุขใจที่ได้จากการทําบุญจะทําบุญต้องทําในขณะที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่ สกาข้อที่สองอยากรู้ว่าการฉันโกโก้ของพระสงฆ์ฉันตอนไหนโกโก้หนึ่งรอยเปอร์เซนกับโกโก้ที่ไม่หนึ่งรเปอร์เซนผสมน้ำตาลแต่ไม่ได้ใส่นมมีความแตกต่างที่พระสงฆ์จะฉันได้เก็บการรักษาอย่างไรคะคือการการฉันของของพระสงฆ์นี้ท่านแบ่งไว้เป็นสามชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นอาหาร ฉันได้ถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันฉันไม่ได้อาหารต่างๆซึ่งรวมไปทั้งนมนมนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วท่านอนุญาตให้ดื่มพวกที่เป็นไม่ใช่เป็นอาหารได้เขาเรียกว่าเป็นยาโกโก้นี่ก็ถือว่าเป็นยาน้ำชาคาแฟนี่ก็ถือว่าเป็นยาน้ำตาลนี่ก็เป็นยาน้ำผึ้งก็เป็นยาของพวกนี้ดื่มได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่ไม่ให้ใส่นมเข้าไปหรือใส่ของที่เป็นอาหารเช่นถัว่วหรือของอะไรเหล่านั้นอันบางทีโกโก้เขาจะมีผสมนมบ้างมีผสมถั่วบ้างผสมอะไรบ้างกินไม่ได้ถ้ากินได้แต่โกโก้ที่ผสมกับน้ําตาลที่เขาเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตอย่างนี้ก็กินได้ถ้ามียาชนิดหนึ่งที่กินได้ตลอดเวลาคือเป็นพวกยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เชนยาแก้ไอา ย, ยาแก้หวัดนุ้ยยาเลยพวกนี้กินได้ตลอดเวลาเช้าค่ะคำถามจากคุณจินตนาลูกลาพักร้อนมาปฏิบัติทมตามคำสอนของพระอาจารย์วันที่หกแล้วสองวันนี้จิตนั้นสงบมากทั้งวันและทั้งคืนภาวนาพุโทโธได้ไม่นานก็ไม่รู้ลมหายใจและเสียงดับ แล้วจิตไหลรวมเร็วมากลูกควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะก็ปฏิบัติให้มากขึ้นยิ่งมากยิ่งดีจากเฟซบุ o กเจค่ะกราบเรียนถามว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วจะรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันรู้แต่ไม่รู้จักชื่อรู้ตัวแต่ไม่รู้จักชื่อมันจะไม่ได้บอกว่านี่โสดาบันเกิดขึ้นแล้วนะมันจะไม่บอก แต่มันจะบอกว่าต่อไปนี้เราไม่กลัวตายแล้วเราปล่อยวางร่างกายนี้ได้แล้วเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้พระโสดาบันจะรู้แบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วจะมีเสียงมากระซิบว่าโสดาบันนั้นนะอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้กิเลสมลันเรา ามีมีโยมฝากถามเข้ามาว่าได้อุปถัมภ์หลานเหลนไว้อ่ะค่ะพ่อแม่แยกทางกาันพ่อกลับต่างประเทศส่วนแม่ติดยาเลยพาเหลินไปบทเป็นเนนไปบทเรียนเพราะไม่มีเงินส่งเรียนจ้แต่อยู่วัดไหนก็อยู่ไม่รอดจ้าเพราะว่าบางวัดเขาก็เคร่งไม่ให้ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ ก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะหนีถ้าวัดไหนให้ใช้โทรศัพท์ก็จะติดโทรศัพท์แบบนี้จะให้จใ้เขาทำอย่างไรดีเงี้ยจ้าเขาต้องบังคับตัวเขาเองให้เขาอยู่ในกรอบของกฎระเบียบให้ได้เพราะกฎระเบียบนี้เป็นการช่วยให้เขาเป็นคนดีให้เขามีความรับผิดชอบให้เขามีความสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูตัวเขาเองได้แต่ถ้าเขาไม่เคารพกฎกฎระเบียบ เขาปล่อยให้ทําตามกิเลส ข, ของเขาเขาก็จะต้องไม่อยู่กับใครไม่ได้แล้วในที่สุดเขาก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเพราะเขาจะไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเขาเองได้เลี้ยงดูตัวเขาเองได้เขาก็อาจจะต้องไปทํำบาปมากขึ้นอาจจะไปลักขโมยหาเงินหาทองแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางต่อไปเังนั้การมี มีความเคารพในกฎระเบียบแล้วไมีความขยันหมั่นเพียรในการกระทำหน้าที่การงานของตนอันนี้จะเป็นวิธีป้องกันไม่ให้จิตใจต้องไปเจอกับความทุกข์ต่างๆก็อยู่ที่ตัวเขาเราเพียงแต่สอนเขาได้บอกเขาได้ท่านเองว่าถ้าทำางนี้ต่อไปหนูอาจจะไปติดคุกติดตารางก็ได้นะหรือหนูอาจจะตายก่อนถึงเวลาควรก็ได้เช่ค่ะจากทางเฟ๊กเจ้า ค, ค่ะ เวลาดูลมหายใจที่ปลายจมูกบางทีไม่รู้สึกถึงลมและรู้สึกเหมือนบังคับลมเข้าออกบางครั้งกั้นลมแบบนี้ทำถูกไหมคะควร<ะ>ทำอย่างไรให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิน้นให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปจาก YouTube จะ้ะค่ะโยมพบว่ายังมีกิเลแสแทรกเข้ามาทีเผลอ แม้ว่าจะสนใจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตื่นเป็นความรู้สึกที่เบื่อมากเหมือนน้ำกรดที่กัดก่อนความสุขสงบในใจอย่างนี้นี้ควรรีบแก้ด้วยการบริกรรมพุโทโธใช่ไหมคะใช่ควรจะเพิ่มสติให้มากขึ้นป้องกันไม่ให้กิเลสป่ากดขึ้นมาแล้วพยายามนั่งสมาธิด้วยเพราะถ้านั่งสมาธิแล้วเวลาจิตสงบเราจะมีความสุข จะไม่เหมือนกับการปฏิบัติที่เบื่อเพราะว่ายังไม่ได้เจอความสุขที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเดินการเจริญสติเพียงอย่างเดียวยังไม่พอสติต้องนําไปสู่การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้เกิดมีพลังเกิดมีความสุขเมื่อมีพลังมีความสุขก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ต่อไปชาวค่าจากยู u ูบว่ า, วาการฝึกฝนสมาธิ ทำได้ถึงไหนถึงจะเก่งพอที่จะหยุดคะเพื่อไปทําสิ่งถัดไปที่ยากขึ้นต่อไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสมาธิทําไปจงกว่าจะถึงนิพพานถึงจะหยุดได้ถ้ายังไม่ถึงนิพพาก็ยังต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาต่อไปถ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบเรียนถามเพิ่มเติมว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจะรู้ถึงสภาวะพระนิพพานชัดเจนไหมคะ เริ่มเห็นเริ่มรู้ว่าพันธิพัณฑเป็นยังไงแต่ยังไปไม่ถึงเริ่มเข้าสู่กระแสที่จะนําไปสู่พันธิพัณฑคือการดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปพระโสดาบันเพ่งดับได้บางส่วนดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายเรื่องความเป็นความตายได้แต่ยังดับความทุกข์ที่เกิดจากการมีอารมณ์ที่อยากจะมีแฟนไม่ได้อยู่ยังรู้สึกเหงายังรู้สึกว่าเวเวลาอยู่คนเดียวยังอยากจะมีแฟนอยู่ จะต้องรู้ว่าจะต้องกําจัดความทุกนี้ต่อไปให้ได้แล้วในที่สุดก็ขยับไปเรื่อยๆจนกว่าจะข้ามทุกทาต่างๆที่มีอยูในใจหายไปหมดก็จะรู้ว่าจะได้ถึงนิพพานแล้ว อ, อ้าวเออจ้ค่ะมีฝักถามจากนักุติส้า ะ, ะมีลูกสิบขวบจะทําอย่างไรให้เขาสนใจทำมีสมาทิฏฐิเราต้องทําตัวเราก่อน เราต้องเข้าวัดแล้วเราก็พาเขาเข้าวัดไปกับเราเราทําอะไรก็เขาก็ทําตามเราต่อไปเขาก็จะทําได้ทุกอย่างนี่เราเป็นคนตัวอย่างของเขาที่เขากินข้าวเป็นเพราะเราสอนให้เขากินข้าวที่เขาอ่านหนังสือได้เพราะเราสอนให้เขาอ่านหนังสือหรส่งเขาไปโรงเรียนนี่เราต้องต้องพาเขาไปต้องพาเขาทําเขาอึ่างนี้ทำตามถ้าไปสั่งแล้วตัวไม่ไม่ทํำนี่เขาจะไม่ทําตาม มืนที่มีนิทานบอกแม่ปู่สอนลูกปู่เนี่ยแม่ปู่บอกให้ลูกปู่เดินตรงๆนะอย่าไปเดินเฉไปเฉมาแต่ตัวแม่ก็เฉไปเฉมาเหมือนกันแม่สอนให้ลูกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแต่แม่ไปนั่งดูทีวีนั่งกินเหล้านั่งสูบบุหรี่ลูกมันก็จะสูบบุหรี่มันก็จะกินเหล้าตามแม่มันไม่ได้ดูที่คําพูดมันดูที่การกระทำของของพ่อแม่เป็นหลัก ใช่ค่จากทาง Facebook ปีนี้เมื่อเดือนเมษาหรือพฤษภาที่ผ่านมาแม่ของโยมเปิดคลิปเสียงของมูลนิธิอุทยานธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทและอิทัพปัจจยาตาฟังไปพลังเดินจงกรมไปด้วยแล้วอยู่ๆกต็ติดนิ่ง ความศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างท่วมทนม้นมันคงแทกเข้าไปในเนื้อหัวใจและทะลุไปข้างหลังไกลมืดมิดทะลุไปเสียบกับใจอีกดวงของแม่ที่อยู่ไกลและมืดมิดมันบอกว่าศรัทธาตั้งมั่นแรงกล้ามากมั่นคงมากแล้วก็สั่นสะแล้วก็หายคาใช่สภาวะบรรุธรรมไหมคะเดี๋ย ว, วเสงมันดังเดี๋ยวรอเดี๋ยวัดัดง มันก็อา จ, จะเป็นภาวะของความสงบอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นบนรรลุธรรมยังไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบันหรืออะไรตัางนั้นยังอีกกายอยู่จะเป็นโสดาบันได้จะต้องละร่างกายให้ได้ละสักกายทิฏฐิให้ได้ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมยังถามได้นะยังพอมีเวลาอยู่ จากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะลูกภาวนาจิตเข้าไปอุปจารสมาธิเป็นประจำลูกจะถอยจิตยังไงเจ้าค่ะใช้สติดึงกลับเข้ามาใช้พุโทโธพุโทโธดึงกลับเข้ามาทาง Facebook เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธินั่งสักพักแล้วรู้สึกปวดขาขวาจะทีวีความปวดขึ้นเรื่อยๆแม้จะพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็ไม่หายเจ้าค่ะต้องทําอย่างไรดีเจ้าค่ะ ต้องยอมตายยอมเจ็บอยาไปอยากให้มันหายที่มันทรมานเพราะเราอยากจะให้มันหายแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจเราไม่ไม่หายก็ไม่หายอยู่กับมึงไปมึงจะอยู่ยังไงมึงจะฆ่ากูตายกูก็ยอมตายอย่นี้แล้วเดี๋ยวจิตก็จะปล่อยจิตก็จะสงบได้ถ้าขาจากเฟซบุ o กเจ้าขากราบเรียนสอบถามครับการที่จะเป็นโสดาบันสินจะต้องบริบรสุทธิ์ไหมครับ อ๋อก็ต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะไปสู่ขั้นปัญญานี้ได้ขั้นถ้าศีลอยังไม่สาดบริสุทธิ์นั่งสมาธิจิตก็จะไม่สงบแล้วเรามีศีลที่บริสุทธิ์เวลานั่งสมาธิจิตก็ได้สงบได้เมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ละร่างกายได้ส้าคยังไม่มีคําถามเข้ามาส้าค่ะถ้าไม่มีคําถามอะไรจะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม